พวกเราก็ถือว่าโอกาสดีเนาะวันนี้ได้ฟังธรรมจากพระจาจาเพศานนะท่านก็บรรยายธรมได้ละเอียดเนาะแล้วก็ให้เราได้เห็นภาพของการฝึกปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนนะะวันนี้ก็ถือว่าเหมือนเป็นช่วงการนำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียนนะ เป็นเดือนที่ท่านเกิดแล้วก็เป็นเดือนที่ท่านเสียเดือนที่ท่านเกิดแล้วก็เดือนที่ท่านทําสำคัญนะท่านเกิด 12, สิบสองสิงหาเสียยีสิบสามสิงหาเดือนหน้าก็หลวงพ่อเทียนอาจจะมาอาจจะประมาณตุลาก็ได้ <c oughs> <c oughs> เกิดตุลานะอาจจะตายตุลาหรือเปาถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ดีเนาะใน <c oughs> ได้กอว่าาจาย์ไป ปีไหนเนอะค่อยว่ากันก็เนอะธรรมดานะเครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดมาก็เกิดมาด้วยความหลงเหมือนเราเนี่ยแหละหนะลงหลงงพ่อเทียนก็หลงนะนะนะนะหลายอย่างนะหลายอย่างท่านบอกว่าคล้ายๆครับคือด้วยความเป็นพ่อค้า่นะ มีเรือล่องแม่น้ำโขงนะจากเลยไปถึงเวียงจันทร์หรือบางทีไปถึงหลวงพ่อบางนะขายของท่านบอกว่าบางทีด้วยความพ่อค้าด้วยความมีฐานนะท่านบอกบางทีมีผู้หญิงมานอนด้วยเป็นสิบคนแต่คืนนะันะเนี่ยคือแม้แต่ไปปฏิบัติธรรมก็ยังจ้างคนซักเสื้อผ้าให้ จ้างคน ช, ช, ชงกาแฟมาเสิร์ฟทุกวันน่ะเอาบุหรี่ไปด้วยเป็นห่อๆ อ, อะไรน่มคือก็ไปด้วยความหลงนะแต่พอมีสติจริงๆก็เลิกได้อ่าเลิกบุหรี่ได้เลยพอดูรูปดูนามก็เลิกบุหรี่ได้โยนทิ้งได้เลยบุหรี่ที่เอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นห่อใหญ่หัตต้อนอะไรนก็อ่าก็ทิ้งได้เลย กาแฟก็ทิ้งได้ <g vodka> กาแฟก็ทิ้งได้นะ <c oughs> คือก็คืออยากให้เห็นว่าจริงๆก็คือแม้อย่างหลวงพ่อเทียนท่านก็มีความหลงไม่น้อยกว่าเราหลวงพ่อคำเขียนเขาก็หลงเชื่อไสยศาสตร์คิดว่าแบบวิธีที่จะช่วยค น, นคือการไปเรียนไสยศาสตร์ช่วยได้ผีช่วย นั่นนี่ต่างๆเนาะท่านก็เชื่อแบบนั้นท่านบอกว่าเวลาทําสมาธินะทําสมาธิคือเรียนศัยศาสตร์นี้ครูที่สอนศัยศาสตร์เขาก็ต้องสอนให้ทําสมาธิด้วยคือถ้าจิตไม่นิ่งนะจิตไม่เป็นสมาธิคาถาไม่ขังปนะมาณนั้ก็ต้องเรียนสมาธิด้วยนะสมาธิท่านบอกว่าเรียนขนาดว่ามองมีดนะให้เป็นเหมือนใบหญ้า คือมองมีดให้รู้สึกว่าเหมือนแก้วกล้าจนเหมือนเป็นใบหญ้าไม่ต้องกลัวปล่อยไปเลยเนี่ยคือขนาดนั้นนะคือเรียกว่าก็หลงนะก็หลงเหมือนกันเราเองก็หลงใช่ป ะ, ะงานของพ่อคำเขียนวินิ้ก็เลยเรียกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนาะเพราะว่าคนเราทุกคนก็เกิดมาก็มีความหลงโตขึ้นมา ก็มีความหลงนะแต่เราเลือกว่าเราจะตายไปด้วยความหลงหรือตายไปด้วยความรู้นะใช่ไหมเกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก็หลงอะไรเลยพาให้เราเกิดใช่ไะมหลงแล้วก็อืมก็พาให้เราเกิดนะเราโตขึ้นมาเราก็หลงบ้างนะดีบ้างก็มีนะไม่ใช่หลงตลอดดีก็มีนะหลงก็มี แต่สิ่งที่มันหลงจริงๆคือเราหลงว่ากายใจมันเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยแหละซึ่งมันนําไปสู่กันเกิดเกิดใหม่ทุกครั้งการเกิดทางร่างกายก็เกิดใหม่การเกิดทางจิตใจก็เกิดใหม่เนาะเราคิดไม่ดีนะคิดไม่ดีเมื่อเมื่อตะกี้เนะี่ยแล้วก็มาคิดใหม่ว่า เราคิดไม่ดีทําไมเราคิดไม่ดีนี่เกิดอีกแล้วนะพบชาติเกิดในใจเนี่ยถี่มากเมื่อกี้คิดไม่ดีเนี่ยก็การเกิดรู้สึกไม่ดีที่ตัวเองคิดไม่ดีก็เกิดทํำยังไงเราถึงจะคิดไม่หายคิดไม่ดีเนี่ยก็เกิดอีกแพบชาติทางใจนี้เกิดเกิดเร็วมากนะเกิดเร็วมากเนี่ยคำว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้คือเปลี่ยนที่จริงเปลี่ยนความหลงในใจของเราเนี่ยแหละ ให้เป็นความรู้สึกตัวเนาะเปลี่ยนจากความหลงลืมตัวนะอาจามาจะพูดว่าส่วนใหญ่ที่คนเราหลงก็คือหลงไปอยู่ในอารมณ์หลงไปอยู่ในความคิดนะนะหลงไปยึดมั่นถือมั่นว่าอารมณ์นั้นความคิดนั้นมันเป็นเราจริงๆเนงะอันนี้คือหลงที่หนักนะนะหรือรวมทั้งเวลาเรา เจ็บปวดเมื่อยหิวอะไรมหมนะเราก็หลงยึดว่าเวทนานั้นนะคือเป็นเราจริงๆเนาะสตินะจะทำให้เกิดปัญญาในการถอนออกมาให้เห็นว่าทิ่งต่างๆนะั้นเป็นอาการนะอาการของกายที่มันปวดเมื่อยเจ็บหิวอาการของใจที่มันคิดที่มันมีอารมณ์มีความรู้สึกต่างๆนะ การปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นการห้ามความคิดจิตมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งอันนี้คือกิเลสมันมาใช้จิตให้ทำแบบนั้นแต่จิตเองก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งคือรู้ด้วยคือประมาณว่าแต่ก่อนน่ะจิตเนี่ยมันถูกแต่กิเลสมาใช้งานใช้ให้คิดใช้ให้รักให้ชังให้ปรุงแต่ง ่ก่อนคือจิตมันถูกแต่กิเลสมันใช้ต่อมาสติขอมาใช้จิตด้วยในการรู้ใช่ไหมในการทําหน้าที่มารู้ตัวเนี่ยคือสติมาใช้มันเหมือนคล้ายๆมามาแย่งกันใช้งานนะ <c oughs> มันเหมือนคล้ายๆแบบนั้นน ะ, ะคล้ายๆเหมือนถ้าเหมือนเหมือนเก้าอี้ดนตรีอะเราเคยเล่นเก้าอี้ดนตรีเนา ะ, ะเดินๆไปเต้นๆไปแล้วก็ พอหมดเพลงแล้วก็ต้องรีบแย่งกันเราจะได้นั่งเราเองก็คล้ายๆวันนั้นเหมือนมามาแย่งพื้นที่ของจิตนะในการหลงหรือว่าดูมันแย่งกันแต่แต่แต่เรียกว่ากำลังของสตินะถ้าถ้าเราฝึกจริงๆนะแต่ก่อนอนะอ่า คล้ายๆเปรียบเหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่ฮะก็สองคนแย่งกันก็นกจริงนะแต่สมมติเราเป็นเด็กเนาะจะ แ, แย่งกับผู้ใหญ่นะเราอาจจะนั่งได้ก่อนก็จริงนะแต่ถ้าผู้ใหญ่มันอยากจะมาแย่งมันก็พาเรากระเด็นออกไปนะออกไปนั่นก็แย่งเราได้นะเออเควี่ยงเราทิ้งเลยนแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราเป็นผู้ใหญ่เราไปกีดเด็จะเหมือนเด็กะจริงๆนะ เมื่อใดที่เรารู้สึกตัวปุ๊บน่ะเราแยกมันได้คืนทันทีแหล ะ, ะจะเห็นว่ากิเลสเองมันก็ไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวขนาด น, นั้นรู้สึกตัวเมื่อใดมันก็ดูดออกไปได้ง่ายๆแต่เราเองนี่แหละที่มักประมาทได้วก็ะเดิ่พอออกไปเด็กก็เลยมาเล่น <c oughs> เราประมาทเองนะเราเลยลุกออกไปจากจิตโดยการขาดสติไป เด็กก็เลยคองก็อี้ภายในใจของเรากี่เด็กก็เลยคองก็อี้ในใจไว้เสมอแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เราก็กลับมาได้นะฝึกกลับมาแนบบ่อยๆเนาะเนาะก็ประมาณแบบนี้นะก็ให้กําลังใจพวกเราได้ไปฝึกกันต่อเนาะฝึกความรู้สึกตัวนะให้บ่อยๆรู้ตัวเป็นไหมเป็นนะ หลายคนฝึกมานานละนะเจอกันบ่อยรู้สึกเป็นไหมน่ะลองหอยง่ายนะะ่นะตกเข้าตัวเองรู้สึกไหม <c oughs> จับหัวตัวเองรู้สึกไหม <c oughs> นวดรู้สึกไหมน่ะถ้าใครถามว่าี่รู้สึกตัวเป็นแบบไหนเรารู้สึกตัวหรือเปล่านะ ลองตีหัวตัวเองดูสิเออลองตบเข่าตัวเองดูสิเออใช่ไหมรู้สึกตัวเนี่ยไม่ไม่ต้องถามใครรู้สึกตัวนะไม่ต้องถามใครเราจะรู้ได้ตัวเองนี่ยเราสงสัยเรารู้สึกตัวหรือเปล่าแย่ต่อมาก็กลับมากลับมาเนี้ยก็รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเนาะตัวก็อยู่ตรงนี้นะมือก็สัมผัส ก็มีความรู้สึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะมีจำจำไว้ก็ได้นะอาตมาก็กลัวจะเข้าใจก็หลายปีนะ <c ười> คำว่ารู้สึกตัวนะไม่มีทำไมถ้ายังมีทำไมอยู่เนะี่ยแสดงว่าไม่รู้สึกตัวแล้ว <c ười> เวลาปฏิบัติแล้วยังทำไมเกิด อย่างนั้นอย่างงีง้ทําไมเป็นอย่างงานนนั้นอย่างงี้อะไรนะถ้ายังมีความรู้สึกทําไมเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ารู้สึกตัวจริงอ่ะไม่มีทําไมนะมีแต่เห็นมันไปเรื่อยเป็นแบบไหนก็เห็นมันไปเรื่อยไม่สงสยัยหตักทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราจิตมันจะคิดอะไรก็เรื่องของมันไม่ใช่ว่าสงสยัยทําไมไม่คิดแบบนี้ทําไมเป็นแบบนี้อะไรนะ นี่คือเรื่องของมันคือถ้าเห็นจริงๆนะมันแค่เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจไม่มีสงสัยว่าทำไมมาถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะพอมันไม่สงสัยที่เกิดขึ้นในในจิตในใจในกายของเราแล้วนะเรื่องอื่นๆนะมันก็หมดสงสัยไปเหมือนกันนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องบุญอะไรก็ ไม่สงสัยนะอแต่บางทีนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่นักปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยสงสัยหรอกแต่คนที่มาใหม่ๆหรือคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะัะก็จะสงสัยเยอะดูนะเวลาเราสงสัยเนี่ยแสดงว่าขาดสติให้รู้ตัวรู้ว่ามันดงไปสงสัยแล้วนะให้รู้สึกตัวถ้ายังจมในความสงสัยอยู่ กลับมาดูกายนะถ้ายังไม่เห็นความคิดไม่เห็นความสงสัยก็กลับมาเห็นกายก่อนแต่ถ้าเห็นความคิดเห็นความสงสัยได้ก็ดูมันอ่ามันจะเกิดดับให้เราเห็นแต่ถ้าแต่ไม่ใช่เห็นแล้วเมื่ อ, อไรมันจะดับนี่ไม่ใช่เห็นนะนี่ยังสงสัยใช่ไหมสงสัยเมื่อไรมันจะดับเนี่ยก็ยังสงสัยนะเใช่ไอ ม, ไมแต่มันเพียงแค่ไม่ได้ ยังสงสัยอีกแบบนู้ไม่ใช่ทําไมไมันไม่ดับแต่เมื่อไหร่จะดับเนี่ยสงสัยเหมือนกันนีน่นนคือเห็นซื่อจริงๆเน่ยไม่มีคําถามทําไมเป็นแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าอะไรก็ยังหลงนะปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเนะี่ยสภาวาะเนี่ยใช่ปิติหรือสุขหรืออะไรมันเนี่ยได้ได้สมาธิขั้นไหนแล้วเนะนี่ยนี่คือสงสัยข้างนั้นเลยนะ วิตกวิจารนะวิภาคนะเนะี่ยคือถ้ายังจิตยังสงสัยแสดงว่าเราไม่รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่แปลว่าเราจะสงสัยไม่ได้นะสงสัยขึ้นมาเห็นมันนะเห็นมันคิดขึ้นมาเห็นมันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็เห็นมันไม่เห็นมันไม่เป็นไรก็ไม่เห็นกายนะก็ไนะม่เห็นกายบ่อยๆก็ได้ นก็บ่ายโมงพอดีก็วันนี้เน้นภาคปฏิบัตินกเพราะอาจารย์ไพศารท่านก็บรันใดทำมาเยอะแล้วก็จนถึงสักบ่ายสามโมงครึ่งนาะให้เราแยกย้ายกันปฏิบัติชั้นบนนะมีพื้นที่แล้วก็สักสองชั่วโมงครึ่งให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติกันแล้วก็ค่อยกลับลงมาเนาะหรือใครจะนั่งปฏิบัติที่ตรงนี้ก็ได้ ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งล้เดี๋ยวก่อนก่อนโยมถามนะให้มาถามโยมก่อนนะได้ไหมใ ห, ให้ฟังนุนตอบ อ, อันนี้น้ำมาจากโยม ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้เงียบน้ำอะไรทราบไหมไม่ทราบเนาะ ม, มีใครทราบไหมฝั่งนู้นโอเคไม่ไม่ทราบฝั่งนี้ใครทราบบ้างใครทราบยกมือขึ้น น้ำขามเหยอมตอปเหรใครทราบบ้างพระทราบแต่พระไม่บอกท่านได้เหมือนกันทราบไม่ยอมน้ำอะไรน้ำมะตูมทำไมถึงคิดว่าน้ำมะตูมสีเข้มเข้มทำไมถึงคิดว่าน้ำขามสีเข้มเข้ม ไหมน้ำอัญชันเพราะว่าสีม่วงๆจ้ะโยมมองไปดเดาเขียนน้ำอะไรหล่อข้างกล้วย อ, อัญชันมะนาวอโอ อะไรทําให้เราถึงอยากเดาเป็นมะขามอัญชันมะตูมอะไรนะเราของกล้วย ห, หรือสัญญ า, ญญานอกจากสัญญาต้องมีอะไรทําให้เราฮสังฐานฟุ่งไป ม, มีอะไรอีกที่มันใหญ่กว่าสัญญาสังฐานวิทยาหรือเกี่ยวไง อันนี้ยังไม่ได้กินเลยอาจารย์มาไปบอกให้ยองกิน <c oughs> อืมวิญญาณเหรอผัดยังไง <c oughs> อื ม, อมแต่ที่บอกไม่ไม่ดูนี่เพราะว่าไงทธอหมถึงตอบไม่รู้เพราะว่ามันไม่อยากเดาก็ไม่รู้อืม เออแล้วทําไมถึงตอบอันชันอื <c oughs> ใช่ใช่แล้วทําไมมันมันต่างกันคนนี้ก็ตอบไม่รู้แต่บางคนก็ตอบเป็นอันนั้นอันนี้เลยมันเป็นอะไรที่เอมาบอกว่าเนี่ยมันใหญ่เอาออมาก็แค่ถา ม, ม <c oughs> อ่าใช่ไม่รู้แล้วทำไมเราไม่บอกว่าไม่รู้ ก็ถามเฉยๆแต่เดาก็ได้ไม่เดาก็ได้จะบอกว่าไม่รู้ก็ได้บอกว่าเป็ น, นอันนั้นอันนี้ก็ได้แต่อะไรทำให้เราบอกว่ามันคือนน อ, นน อ, นนอันนั้นอันนี้อ่าอืมทำไมถึงตอบว่า ตอบคนแรกเลยนะมะขามด้วยความมั่นใจไกลที่สุดจคิดได้ว่าน่เป็นน้มะขามจิตก็เลยยังยงเปิ้ลไหยมีผสมมันนาวด้วยโวรู้สึกอะไรเห็นสีก็มันเป็นอะไรที่มันทำให้เราตอบ อะไรฟุงแต่งเนาะมันมันเดาเล่นๆหรือมันคิดว่าถ่วงแน่นอนเล่นๆเนาะดีละแล้วมีเรื่องไหนไหมห้เราไม่รู้หรอกไม่มั่นใจแต่เราตอบเหมือนเราเรารูแน่นอนเคยมีไหมเคยนะทำไมอะ สัญญาสัญญามาใช้แต่ที่จริงสัญญาเราอาจจะผิดก็ได้แต่เราตอบเหมือนเรารู้แน่เลยมั่นใจใช่ไหม <c oughs> เช่นเวลาเราเราเป็นพ่อเป็นแม่เราแบบลูกถามนี่ตอบได้แบบแน่ <c oughs> นอนมั่นใจแน่นนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือเราเป็นหัวหน้างานเดี๋ยวลูกน้องมามาถามนี่ตอบแบบเรากล้าตอบว่าเราไม่แน่ใจไม่รู้กล้าตอบไหม <c oughs> กล้าบ้างนะ แต่บางทีมีฟอร์มไหมเพราะเราคิดว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตอบไปเถอะน้ํามะขามเขาเองก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาถามเราเราก็บอกน้ํามะขามคนไม่รู้ก็บอกคนไม่รู้ก็เลยไม่รู้เนาะมันคืออะไรบางทีไม่ใช่ว่าทุกคนเนาะอบางทีเราให้เราแค่สังเกตบางทีมันมีมานะ แฝงบ้างไหมอืมว right, ่าเราว่าเราสมมติว yes, <Europe> ่าเราเก่งเรารู okay, <rebbe> <men> ้มีตัวตนพวกนี้ก็มาแทกอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแค่เด่นๆเฉยๆนะอันนี้คืออะไรน้ำอะไรก็จังฮิตเลยสมัยนี้ฮิตมากโหลาสมัยมากเขาเพิ่งฮิตเมื่อ ไม่เกินไอนมาเพิ่งรู้สึกว่าเขาฮิต ป, ปีนี้แหละใช่แล้วออมัมะม่วงหามะนาวโ h <อ> o เดี๋ยวโยมไปถามคนผลิตแล้วกันนะ <laughs> <laughs> แล้วรสชาติเป็นแบบไหนเเไปลา <laughs> ไฟฟ่าเปรียปร้ยวๆใครไม่เคยกินบ้างอไม่เคยกินอ่ะคนเคยกินอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยให้คนที่ไม่เคยกินเข้าใจว่ารสชาติเป็นแบบไหนใครสามารถคิดว่าตัวเองอธิบายเก่งอ่าใครไม่เคยกินยกมือขึ้นอครึ่งห้องเลยนะอืาใครใครเคยใครคิดว่าเคยกินแบบบ่อย โ okay. อเคเอาเอาของจริงนี่แหละเราจะมาจะให้ใครใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการอธิบายรสชาติเอาไม่ต้องเอาเอาตอนนี้เลยเนี่ยของจริงไออดีตมันอาจจะผ่านไปแล้วเอาชิมสดๆแล้วอธิบาย อ่ะได้อ่ะโยมคนข้างหน้าเลยนีใครเอาอ่ะชิมชิมเสร็จแล้วเอาไม้พูดได้ชิมไว้นหนึ่งนะ่ะเอาไม่พูดที่รสชาติที่โยมชิมเป็นแบบไห น, น ชิมใหม่ได้นะชิมใหม่ได้เดี๋ยวเอาคําแรกเลยไม่อร่อยนี่เป็นรสชาติเหรอนั่น <C ười> เอาทางจริงไม่อร่อยนี่คือรสชาติหรือว่าอะไรความรู้สึกไม่ชอบก็คือไม่ค่อยอร่อย เปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวหวานก็ไม่หวา น, <laughs> นเฟื่อนเฝื่อนมีแต่คนบอกว่ามีประโยชน์ออเอาเอารสชาติเอาแค่รสชาติเดี๋ยวมีรสชาติอะไรบ้างเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆเฟื่อน<ๆ>หน่อยๆออกจะฝาดนิดเดียวค่ะ ใครใครอยากชิมต่อสักันหนึ่งเปรี้ยวนิดนิดฝาดในนอยเปื่อนในน้อ ย, อ, ย, อ, ยอ่ะอะคุณโยมเพื่อชิมๆิมไม่ตายหรอกลองบอกรสชาติที่เหมือนเหมือนเพื่อนไหมถือว่าเหมือนน้ำมะขามน่อยนอยนะคะอืมอ่ะมีรสชาติแบบไหนครับ หวานนิดนค่ะหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยก็อืไม่ใช่รสชาติที่ไม่อร่อยนะไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่เป็นรู้สึกว่าถ้าโยมไม่รู้โยมอาจจะคิดว่าเป็นมะขามพันธุ์ใหม่ก็ได้พันที่พันธที่รสชาติมันไม่แรงนะคะรสชาติอ่อนๆประเภทนั้นนะคะอืมหวานนิดนิดใช่ค่ะอแต่ในความรู้สึกของโยมอร่อยนิดนิดนะคะ ยอมกินได้ค่ะรสชาติแบบนี้อืมเห็นไหมแบบอเราอธิบายรสชาติอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่พอพูดความรู้สึกอต่างกันเลยคนนี้พูดทันทีไม่อร่อยคนนี้ค่อนข้างอร่อยเนาะค่อนข้างกินดูว่าพี่เขาไม่ชินมากกว่าก็ไม่ได้ว่าผิดนะไม่ได้ว่าไม่ใช่ค่ะไม่ชินไม่ชินมากกว่าค่ะเอก็ะยอมก็ไม่เคยทานไหมไม่เคยอันนัะไม่ชินเหมือนกันนะ ไม่ขินเหมือนกันเค่ะใช่ไม่เช่นไม่ไม่ไม่เช no ่นก็จริงแต่ว่าอืออ่าใช่ใชคือคือโยมเป็นคนที่ถ้าไม่เช่นก็ก็จะไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าโอ้ยไม่เอาไม่อร่อยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นอืมโอเคอ่ะขอบคุณมากไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เมื่ก็ชิมนะเออรสชาติอันนี้ไม่เหมือนที่เราเคยกินเลยอันนี้ นี้ฝาดนิดเดียวรสชาตก่อนมันเคยกินแบบที่เข้มข้นกับ น, นี้ฝาดเยอะแล้วก็เปรี้ยวเยอะนั่นนี่คืออันนี้เจอจางเจอจางน้อยลงก็ ค, คือบางทีถ้าถ้าให้มาตอบก่อนชิมมันก็จะตอบรสเดิมที่เคยกินอืมแต่อันนี้ยมันมันคน อ, อ่านกันเนาะคนลักขวดคนนับริษัทธ์อะอืม วิเคราะห์อีกแล้วอืออือสังเกตไหมเวลาเราตอบเราวิเคราะห์เอาวิเคราะห์อ่าอ่าใช่ใช่ไม่ได้ว่าผิดอาจจะแล้วเราเชื่อไหมว่ามันสิ่งที่เราวิเคราะห์ถูกเชื่อไหมเอาเดี๋ยวทำคนตอบก่อน แล้วถ้าถ้ามันเขาก็เอาลูกแก่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขามาเจือจางอ่ะออ่นนอาอออใช่ใช่ อ, อืมนนอมไม่ไม่ไมไมหลักแค่ให้เราสังเกตว่าบางทีเราเชื่อความคิดเนาะเชื่อความคิดเราคิดว่า มันคือน้ำข่ามบ้างน้ําอัญชันอาจจะไม่ได้เชื่อร้อเปอร์็นต์ะแต่ก็แต่บางทีก็บางทีเราก็ถกเถียงด้วยความเชื่อความคิดความเห็นของเราแล้วก็หรือประสบหรือเราก็มีเหตุผลตามประสบการณ์ของเราว่ามันอาจจะเป็นลูกที่มันไม่แก่จัดแล้วเข้ามาทำแล้วสมมุติถ้าเราเชื่อว่ามันไม่แก่จัดแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาผสม มันไม่ใช่นะเขาผสมเราเถียงกันจะจบไหมยังความเชื่อเนะไม่ต้องไปเถียงดิสุดเลยใช่ไหมก็เลยนี่แหละก็เลยเล่นๆเฉยๆหรอกว่าคือคนกล้าตอบก็ไม่ได้ผิดนะคนบอกว่าไม่รู้ก็ดีเหมือนกันเราไม่รู้ก็แค่บอกว่า ไม่รู้ไดแต่ถ้าเราต้องพยายามคิดให้รู้นี่ใช่ไงมันก็อาจจะเออบางย่างมันก็อาจจะเล่นๆ เ, เนาะแต่ถ้าสมมติแต่มาไม่เฉลยเลยนะปล่อยไว้ทั้ง <c oughs> ปล่อยไว้แบบไม่เฉลยนะอ น, นาคตเดี๋ยวเลิกคอนเดี๋ยวจบสี่โมงนี้คงมาแอบดูใช่ไหม <c oughs> ต้องหาคําตอบเพราะมันยังติดในใจ่ ผ่านมาครึ่งชั่วโมงสมมตินะถึงสี่โมงยังติดในใจว่าน้ำอะไรน้ำอะไรแล้วถามเขาจริงนะรู้ว่าขวเนะี้มันคือน้ำอะไรกับไม่รู้เนี่ยมันมันให้อะไรกับเราฮะไม่ไม่ต่างาอะไรเนะาะต่างไหม <c oughs> ไม่ได้ใส่ใจก็ไม่ต่างแต่คนที่ว่าต่างคือยมไหมหรือความอยากรู้ใช่อืมมันทำให้เราต้องหาคำตอบเนาะ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้อหลรนะมีมีตอนหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนท่านท่านเคยเคือท่านก็อยู่ที่วัดเนาะก็จะมีคนมามาพูดคุยสักถามนั่นนี่นะ เขาก็อยากรู้นั่นรู้นี่ธรรมะบ้างไม่ธรรมะบ้างก็ถามไปหลวงพ่อก็ตอบไปบ้างนะเท่าที่ท่านตอบได้ถามไปเยอะๆเลยนะจนจนแบบเข า, ขาคือนานพอสมควรอ่ะนะแล้หลวงพ่อก็สรุปว่าอืมคือเหมือนหลวงพ่อเนาะคล้ายๆว่าสิ่งที่หลวงพ่อสนใจจริงๆนะมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความไม่ทุกข์ เรื่นงอื่นของพ่อแบบไม่ค่อยสนใจนะไม่ใช่แปลว่าไม่ไม่ไม่ดูนะคือรู้บ้างก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่สิ่งที่หลวงพ่อสนใจจริงๆคือเรื่องความไม่ทุกข์แต่มาว่าความหมายของหลวงพอ่อคําว่าสนใจของหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพอ่อต้องพยายามทําให้มันไม่ทุกข์แต่คําว่าสนใจในที่นี้คือสนใจที่จะบอกที่จะสอนที่จะแนะนําเรื่องความไม่ทุกข์ แต่หลวงพ่อพูดนิ่มๆเนาะอาจจะพูดเหมือนโหนวดนิ่ ม, น, มนวนมากคือแต่จริงในระยะถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะบอกว่าทิ่งที่หลวงพ่อสิ่งที่คุณถามนะหลวงพ่อไม่ได้สนใจเลยไม่น่าสนใจหลวงพ่าอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> แต่นี้ก็แต่แต่แม้ น, นี่แค่เล่นๆว่าบางทีสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราติดใจ เราอีกเนี่ยเลิกนีนต้องไปดูให้ได้มันคือน้ําอะไรอนะมันคือมันก็ทําให้เราติดอยู่ในใจเนาะอืมก็บางทีก็ดูบ้างก็ได้ไม่ดูก็ได้ใช่ไหมเหมือนข่าวบางอย่างดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ละครบางเรื่องไม่ดูก็ได้เอดูบ้างก็ได้นะถ้าจําเป็นอันนี้คือแต่ไม่รู้ไม่ได้ดูเนี่ย เป็นไรไหมไม่เป็นไรนะอืมอกสมองเนาะ อ, อ่ะมาถามไปละอ่ะโยมถามบ้างอ่ะใครมีอะไรจะถามอ่ะใครใครรูมแบบนู้ว่ากาทรทำสมที่เกี่ยวข้องกับบุญยังไง <c oughs> บุญคืออะไรในความเข้าใจของโยมของที่ของที่อุทิศคนอื่นได้ค่ะแต่แเออ แ, แบ่งแบส่วนก็ส่วน้ก็ดึง น, นะ <c oughs> เบียดคล้ายๆเหมือนมีเงินแล้วก็ให้คนอื่นได้แบบนี้ล่ะคล้ายๆโยมคิดว่าคล้ายๆมั้ย ม, มันเราพอเรามีบุญแล้วก็อุทิศให้กับคนอื่นได้ คือการทำลูกศิษของโยมขาสนาที่ทำศาสนาพิธีโยมคิ mm hmm. ดว่าอย่ากโยมเนี่ยทําได้อย่างมากก็แค่จิตจิดสมบุกติดวั้นอย่างมากนะคะัค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่โยมปวดนะ้ำทำเอ่อให้แก่สุขศเนี่ใครรับได้คะอืม mm hmm. ใครเน้นว่าเน้นว่าโยมไม่ไม่รู้สึกว่าโยมโยมตาเห็นทาแลนะ้วอะไรประเทเนี่ยคะ่ะอ mm ืม hmm. เอาเอาง่ายสมมติเอาเอ า, เอาเป็นหมาก็ได้เนาะไม่ได้หมาเราก็พูดกับหมาไม่รู้เรื่องเนาะสมมติเราปีรูปหัวมันเบาเบล่ะลูกหัวเบาเบ่ะนจับมันค่อยๆเลยนะพูดนิ่มๆกับมันเนีย่ยลองค่ดมหมามันรู้สึกยังไง รู้สึกกรักรู้สึกดีรู้สึกมันมันรู้สึกได้เนะอะคือแค่เราจับเบาๆหรือพูดภาษาคนนี่แหละนิ่มๆ น, นะหมาก็รู้สึกได้ว่าว่าว่าเรารักมันหรือว่าเอ็นดูมันใช่ปะอะไรมันสื่อสารกับหมาได้ มันมาว่าเป็นพลังงานที่มันออกจากตัวเรานะพลังงานอะ่ะพลังงานที่ที่มันออกมาจากาใจที่มันเหมือนเอ็นดูรักเมตตาใช่ไหมออกมาทางการสัมผัสออกมาทางคำพูดบ้างอันนี้คือพลังงานบุญที่จะส่งให้คนอื่นก็เหมือ น, นเป็นเชิงพลังงานแบบนั้นแหละที่เราที่เรา อะระลึกถึงน้อมถึงคนที่เสียชีวิตหรือใครก็แล้วแต่ซึ่งมาเป็นพลังงานแบบนั้นแหละที่เราที่เราแผ่ออกไปนะที่เราอุทิศให้แต่คราวนี้มันมันก็ไม่เหมือนมาที่อยู่ต่อหน้ามันสัมผัสมันเห็นว่าเขาเซนได้เขาเข้าใจมันนะแต่นั่นไม่เป็นเรื่องไกลตัวซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ภพภูมิของเขาได้วว่าเขา เขาจะดับรู้พลังงานที่เราส่งไปได้หรือเปล่าถ้าเปรียบเหมือนใยๆเหมือนนั่นเหมือนขึ้นวิทยุอะ่ะเหมือนอาตมาเป็นมีมีขึ้นวิทยุจัดรายการธรรมะจัดรายการเพลงก็ แ, แล้วแต่เราก็จัดออกอากาศยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยออกอากาศยี่สี่ชั่วโมงแต่ท่านโยมมีวิทยุแล้วโยมไม่เปิดมาขึ้นนะสมมตินะขึ้นเก้าสิบเก้าโยมไม่เปิดมาขึ้นนี้สักทีโยมก็ไม่ได้รับสาร ที่มาสื่ อ, อเขาเองถ้าเขาไม่สามารถที่จะสื่อมาขึ้นนี้ได้เขาก็ไม่รับรู้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปไลนนะพลังงานนั้นก็ยังอยู่เราเองก็ได้ยังได้รับอยู่อันนี้บุญในเความหมายของโยมที่มาอธิบายแต่ถ้าบุญในความหมายที่จะมาเข้าใจจริงๆนะบุญคือความสุขใจพอเราทําสมาธิ มันเกิดความสุขใจขึ้นมาหรือไม่แค่แค่ทาสมาธิให้เราทาทานเรารู้สึกว่าเราได้ทำทานให้กับให้กับหมาก็ดีให้กับคนยากไร้ก็ดีหรือแม้แต่ทำทานให้กับพระสงฆ์ย่อก็ดีถ้าเรารู้สึกสุขใจในในการให้ของเรา่ะมันเกิดเป็นบุญละหรือเราทำสมาธิแล้วเราเออมันมีความสงบมีความสุขเนี่ย มันก็เลยเป็นบุญที่ที่ที่ฟานิชขึ้นเนาะยิ่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่าจิตใจมันมีความสงบมันมีความสุขมากขึ้นอย่างที่พระยามิสารพูดในตอนเช้าว่าความสงบที่ที่คนทุกคนต้องการเนะยิ่งถ้ามันเป็นความสงบจากการที่รู้แจ้งรู้สัจธรรมจริงๆมันมันคือบุญที่สูงเพราะว่ามันเป็นความสงบที่ที่ไม่ได้มีเงื่อนไขเนาะ คือความสุขถ้าจยากยากหน่อยก็คือต้องมีมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่าเอาง่ายๆทำไมทานถึงถึงหยากกว่าการภาวนาหรือในบุญระปัญญาที่มันเพราะว่าทานคือมันต้องมีของแล้วก็ต้องให้อะไรนต้องมีวัตถุต้องมีผู้รับอะไรนีอ่ามันก็เลยยากหน่อยแต่ถ้าภาวนาจริงเนี้ยมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย มันเพียงแค่จิตเราเข้าถึงตรงนั้นเข้าใจความจริงตรงนั้นหรือแม้แต่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องรออะไรเลยโกรธสมมติเราโกรธคนที่บานเราไม่ต้องรอไปวัดแล้วก็ค่อยไปนั่งภาวนาเราเมื่อเราพลิกมือแล้วกลับมารู้สึกตัวแล้วก็แก้ความโกรธแล้วก็จิตเราก็เข้าถึงความสงบในตอนนั้นละภาวนาก็ได้เป็น เป็นบุญที่มีเงื่อนไขน้อยมากแม้แต่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ถ้าใครสามารถฝึกสติจนจนมันชินอะจิตมันก็สามารถน้อมเข้าถึงตัวรู้สึกตัวได้ในขณะที่แม้ไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันทำให้เราเกิดความสุขใจเกิดความสงบใจได้ไ ด, ได้บ่อย ในชีวิตประจำวันอันนี้คือบุญจริงๆนะในความหมายของของการปฏิบัติธรรมคือคนที่สามารถเข้าถึงความเป็นปกติความสงบความสุขได้ได้บ่อยๆในชีวิตนะอาจินไตแปลว่าเรื่องที่ไม่สามารถจะคิดแล้วมันเข้าใจได้คิดแล้วรู้อะ อ่ามันเหมือนเราไม่มีไม่มียานที่จะไปรู้ตรงนั้นเอาง่ายแค่นีน้ที่จริงก็าจินใจแล้วโยมคิดเอาว่า <c oughs> คือเราไม่รู้เราคิดเอาว่ามันคือน้ำอะไรรสชาติอะไรเนี่ยแต่พอเราชิมไปเลยนะมันรู้เลยแต่บางทีการรู้นั้นอาจจะพูดเป็นภาษาไม่ได้ทั้งหมดห อ, อยากให้โยมอธิบายคนไม่ได้กินก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ก็เข้าใจบ้างแต่ ไม่เหมือนการชิมรถฝึัดฟาดเฟื่อนอะไรแบบนนีะ้มันพูดได้นะแต่รสชาติจริงๆมังทีการที่มันสัมผัสเนะาะคำว่าอจินไตในที่นี้ก็บางทีก็เราก็แค่บางทีสนใหก็คือเลือกที่จะเชื่อหรือเลือกที่จะไม่เชื่อใช่ไหมแบบบางทีพอเราป่วยหรือเราเจอ มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตเราก็เลือกไปหาหาพระบ้างหาหมอดูบ้างหาคนทรงบ้างเขาว่าขึ้นมาแล้วก็เนใหญ่เราก็จะเชื่อคำโบราณใช่ไหมไม่เชื่อก็อยา่าดบดูเขาบอกให้ทำก็ทำไปเธออะไรนะ่ะซึ่งบางทีมันอาจจะตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อันนี้คือเป็นเรื่องที่พอเราไม่รู้เองเราก็เลยเลือกที่จะเชื่อกับบางบุคคลแต่อย่างที่มาบอกอ่ะบุคคลนั้นเขารู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบุคคลนั้นยิ่งอยู่ในฐานะพระอาจารย์หมอดูด่างทรงมาว่าน้อยครั้งนะที่เขาจะกล้าตอบว่าไม่รู้ยมไปถามสมมติไปถามหมอดูนะ มีตะกี่เรื่องมีตะกี่คนที่เขาก้าบอกว่าเขาไม่รู้มีปะ่ะเคยเจอไหมเขารู้หมดทุกเรื่องจริงเลยเหรอ <c oughs> เราเคยสงสัยขนาดไหม <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเรื่องนะอ่อ <c oughs> <c oughs> แต่แต่เขาไม่กล้าบอกว่าเขาไม่รู้อันนี้คือบางทีถ้าเราเชื่อง่ายเราก็จะลง เรื่องอจินไตมันมันเรื่องอจินไตที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเรื่องอะจินไตเพราะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะท่านมองว่าถึงรู้ไปก็ไม่ถึงรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะดับทุกข์ได้หรือเปล่าแต่เรื่องที่เราควรรู้พระเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์พอเรารู้จักเนี่ยเรามาเต็มสติเห็น S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เห็นอาการต่างๆๆมันเป็นทุกข์อย่างไรเนาะเรามีสติพ้นจากมันได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเรื่องนี้นต้องรู้เพราะถ้าไม่รู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ไม่ได้ซึ่งมันเป็นทางที่ที่เราต้องปฏิบัติ <S 2> <S 2> นั้นเราไม่รู้ก็ได้นะว่าเราทำไมเราทำกรรมอะไรถึงมาเกิดอ่มาเกิดเป็นแบบนี้นะอะไรเนาะมาเจอเรื่องนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะ แต่การภาวนาทำให้เราอยู่กับมันได้เกิดมาแล้วบองคนพิการนะเกิดมาแลพิการเอ้าพิการก็อยู่กับความพิการนะแก่มาแล้วก็ป่วยสมมตินเนาะป่วยก็อยู่กับความป่วยนะก็คือเราก็ยอมรับมันได้นี่คือจิตของผู้ฟังนะก็คือเข้าใจว่ามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ยอมรับมันได้ใจไม่เป็นทุกข์ เพราะอาการเพราะมองว่าเป็นเรื่องอาการต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาอะอนิมนต์พระจันทร์ตุ้มไม่อะไรเสริมฮะจริงๆก็ไม่อยากเสริมอะไรนะเพราะว่าวันนี้ก็ฟังพระจระานทร์ป็นสารตอนเช้าแล้วก็พระจานทร์โนตกไ็ได้ได้พูด พูดหลักการพูดวิธีการปฏิบัติอะไรให้พวกเราฟังก็หลวงพาะเองนั่งฟังก็อิ่มใจนะอิ่มใจแล้วก็เหลือแต่พวกเราหลักเอาสิ่งที่พระอาจารย์บอกเนาะจะจดจำอะไรยังไงได้ก็ตามเนี่ย mm. ก็ตรงนั้นหละไม่ไม่เป็นปัญหาแต่ว่า หลวงพอมั่นใจอันหนึ่งว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่เราได้ยินได้ฟังว่าทั้งพระอาจารย์เป็สารก็ดีทั้งพระอาจารย์รโน้ตก็ดีเนี่ยแนะนำว่าให้เราจะต้องทำอะไรยังไงแล้วเราลองเก็บเอาตัวนั้นอะไปไปทำแล้วก็ใช้ความรู้สึกเยอะๆนะใช้ความรู้สึกเยอะๆ อย่าอย่าเหมือนกับว่าให้ใคลายว่าอย่าคิดเอาเอาความรู้สึกที่เรามีเนี่ยสัมผัสลงไปว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับกายแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับใจแล้วก็อย่าไปประวิงเวลาว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยอันนั้นมันก็เราก็คิดไปอีกแล้วล่ะคือให้เราสัมผัสสัมผัสลงไปเพราะว่ามันก็มีสิ่งต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นเพียงแค่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกระจายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วนั่นนั่นคือถ้าเกิดว่าเราไปนั่งพินิพิเคราะห์ไอ้เมื่อกี้มันอะไรเกิดขึ้นนะมันเราก็ไปติดอดีตละเอ๊ e, เดี๋ยวอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเราก็ไปติดอนาคตอีกละแล้วนั่นนั่นคือตรงนี้ให้เราอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยและใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆพอเราใช้บ่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าอ ม, มันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับกายกระจายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย แลกไอกสิ่งที่รู้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยรู้นะอะไรอย่างเงี้ยนั้นนี่คือตรงนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเพราะว่านี่นี่คือมันเหมือนกับสิ่งที่เราขาดไปอะก็คือเรื่องของตัวเราเองเรื่องของกายกายของเราใจของเราตรงนี้แหละที่ที่เราอยู่กับเขาว่าไม่ใช่ใจของคนอื่นกายของคนอื่นนะแต่ว่าหมายถึงว่ากายของเราใจของเรามันก็จ ะ, จะมีรายละเอียดในต่างๆนานาที่ที่บอกเราแต่ท้ายที่สุดเนี่ย ตรงนั้นละ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าใจเนาะได้เข้าใจธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจแล้ว e. ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของกายที่ดำรงอยู่กับเราเข้าใจธรรมชาติของใจที่ดำรงอยู่กับเราตรงนั้นะ่ะมันจะทําให้เราค่อยๆเข้าใจคนอื่นพอค่อยๆเข้าใจคนอื่นเนี่ยหลวงพ่อว่าตรงนั้นอะมันจะเป็นสิ่งที่เกิดความเข้าใจกันพอเกิดความเข้าใจกันหนุงพ่อว่ามันก็เกิดความสงบนะ เกิดความสุขนะอนั้นลองน้องลอ ง, ลอ ง, ลองเอาไปปฏิบัติกันแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นอกอยจางนั้นสาธุ